สารอุทธรอนันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องผู้รู้กับผู้เป็นอิสติสัมปชัญญะดูรู้เห็นร่างกายจิตใจนี้ที่นั่งอยู่นี้ที่กําลังนั่งฟังกําลังนั่งสมาธิอยู่นี้ผู้ที่นั่งสมาธิอยู่นี้ กำลังคิดกำลังนึกกำลังตึกกำลังตรองกำลังปรงแต่งกำลังมีอารมณ์อะไรมีอาการอะไรมีความสบายไม่สบายมีความเบาความว่างความหนักความทึกรู้สึกเป็นสุขรู้สึกเป็นทุกข์รู้สึกเป็นกลางจําเรื่องนั้นขึ้นมาจําเรื่องนี้ขึ้นมาคิดนึกตึกตรองปรงแต่งมีอารมณ์อย่างนั้นมีอารมณ์อย่างนี้มีราคะโทสะโมหะมุจลิกสงสารําคาญใจ เบือเสหรือว่ามีความผ่องใสหรือมีความเศร้าหองก็คือร่างกายนี้ร่างกายจิตใจนี้ที่กำลังนั่งสมาธินี้กำลังนั่งฟังอยู่นี้แต่มีผู้รู้มารูมารูร่างกายจิตใจนี้ที่กำลังเป็นอะไรอยู่ในปัจจุบันกำลังคิดกาลังเป็นผู้คิดกำลังเป็นผู้นึกกำลังเป็นผู้ตึกกำลังเป็นผู้ตอง กำลังเป็นผู้ที่สบายไม่สบายกําลังเป็นผู้มีอาการต่างๆมีอารมณ์ต่างๆหรือว่ามีความนิ่งความว่างความสงบความผ่องใสหรือว่ามีความจ่องมองเรียกว่าจิตเป็นจิตผู้รู้มาดูมารู้มาเห็นร่างกายจิตใจนี้ตลอดเวลาซึ่งเป็นผู้เป็นเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ตึกผู้ต่อผู้ปุงแต่งผู้มีอารมณ์ เป็นผู้สบายไม่สบายเป็นผู้ดิดน้นรนเป็นผู้ค้นหาเป็นผู้อเอะเป็นผู้ลังเลเป็นผู้สงสัยล้วนแต่เป็นร่างกายจิตใจนี้ทึ่เป็นสิ่งที่ถูกรู้ผู้รู้ก็มารู้ร่างกายจิตใจนี้ที่กำลังสงสัยที่กำลังคิดนึกตึกตองปมแต่งดิ้นรนค้นหาลังเลสงสัยตัดสินใจไม่แน่นอนมีปฏิกิริยาอย่างใดก็เป็นสิ่งที่ถูกดูถูกรู้ถูกเห็นอยู่ตลอดเวลา ท่านจะต้องรู้สึกไว้ในใจตลอดเวลาว่าร่างกายจิตใจนี้ไม่ใช่เป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราหรือไม่ใช่เราเป็นร่างกายจิตใจนี้ไม่ใช่เราเป็นผู้คิดเราเป็นผู้ลึกผู้ตึกผู้ตองผู้ปรุงแต่งผู้มีอารมณ์ผู้ดิ้นรนผู้ค้นหาผู้อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ผู้พอใจไม่พอใจล้วนเป็นร่างกายจิตใจนี้ไม่ใช่เป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราผู้รู้ผู้มารู้ร่างกายจิตใจนี้ซึ่งมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆ ทั้งฝ่ายกุศลนะกุศลทั้งฝ่ายที่เป็นบุญเป็นบาปเป็นดีเป็นชั่วเป็นรักเป็นช่างเป็นพอใจไม่พอใจเป็นร่างกาจิตใจนี้ทั้งหมดติดเขาเป็นไม่เข้าไปอยากหรือไม่เข้าไปพยายามทําให้เขาเป็นไปอย่างไรแล้วก็ไม่เผลอเผลนติดไปไปเป็นผู้เป็นตัวเองแต่ให้เป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นมีสติปัญญาสัตวระดูสัตวระรู้สัตวระเห็นร่างกาจิตใจนี้ ซึ่งมีความรู้สึกนึกคิดตึกตองมแต่มีอารมณ์ต่างๆที่หล่นค้นหาอยู่ตลอดเวลาเอะลังเลสงสัยตัดสินใจไม่แน่นอนหรือความวิตกกงังวลหรือความเศร้าหมองหรือผ่สงัยก็ดูไปไม่ว่าจะนิ่งเบาสงบว่าเบี่ยงใดก็ไม่ใช่เราเพราะเป็นร่างกายจิตใจนี้เป็นผู้เป็นต้องฝึกไม่มีผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นร่างกายจิตใจนี้ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย เพียงแค่สังเกตสักตะวะดูสักตะวารู้สักตะวัวเห็นไม่เพลินไม่เผลอเพลิติดไปไปเป็ น, ปนผู้เป็นเสเองหรือไม่พยายามเข้าไปที่หลนผับใสาอาการอย่างใดๆเพราะนั้นเป็นผู้เป็นไม่ใช่เป็นผู้รู้ผู้พยายามที่หลนผับใสก็เป็นร่างกายจิตใจนี้ซึ่งเป็นผู้เป็นซึ่งกําลังทําแสดงปฏิกิริยาพฤติกรรมที่หลนผับใสาอาการต่างๆ ผู้ที่มาดูมารู้มาเห็นร่างกายจิตใจนี้นั้นไม่เคยปรากฏตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีที่อยู่ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนแต่มาดูมารู้มาเห็นร่างกายจิตใจนี้ดังนั้นผู้ที่ดูรู้เห็นจริงๆนั้นจึงไม่ปรากฏตัวตนไม่ปรากฏรูปร่างไม่ปรากฏที่อยู่เลยเราอย่าไปหาผู้ที่มาดูมารู้มาเห็นร่างกายจิตใจนี้ เพราะผู้ที่ดูรู้เห็นนั้นไม่เคยปรากฏ ต, ตัวตนเลยต้องมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลา่าให้สติมันหายขาดกระท้อนกระแทน่นหรือว่าสติมันวูบรวมลงไปหายขาดไปหลือแต่ความนิ่งความสงบความว่างเชนั้นแหผู้ที่มาดูมารู้เห็นร่างกายจิตใจนี้ที่มีอาการอย่างไรไม่มีเหลืออยู่อย่างนี้เรียกว่าสติขาดต้ออยาให้สติขาด ากับการดูรู้เห็นอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายจึงใช้ชื่อคำว่ามหาสติสติจะเป็นมหาสติสติสัมปชัญญะที่มาดูรู้เห็นร่างกายกับจิตใจนี้ต้องมีความเข้มแข็งอยู่ตลอดเวลาไม่เผลอภัยเผลอสติหายไปต้องมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์ตลอดเวลา ใครที่ยังดูรู้เห็นไม่เป็ น, นลองลองสงสัยมีไหมเป็นยังไงลองดูไม่เป็นที่ดูไม่เป็นนี่ดูยังยังไงสงสัยยังไงไม่รู้จะดูยังไงแล้วนั่งนั่งอยู่เนี่ยรู้ตัวไหมว่าตัวเองนั่งอยู่ดู้ไหมรู้ตัวไหมแม่แน่ๆกำลังนั่ ง, งรู้ตัวไหมแม่แน่คือผู้รู้ แต่รู้กายแต่มันเหนือกายขึ้นไปอีกคือรู้จิตใจแล้วก็คิดอะไรรู้ไหมเวลาคิดอะไรรู้ไหมนั่นแหละที่ที่รู้ว่าคิดอะไรนั่นแหละคือผู้รู้กําลังคิดอะไรแล้วมีเวลามีอารมณ์อะไรรู้ไหมรู้ก็นั่นแหละรู้รู้ที่ว่ากําลังกําลังมีอารมณ์อะไรนั่นแหละรู้นั่นคือผู้รู้ใจสบายไม่สบายรู้ไหมนั่นแะรู้รู้นั่นก็คือผู้รู้รู้ว่าใจสบายไม่สบายรู้นั่นตอนไหนบอก ไม่เป็นนะดูรู้เห็นไม่ไม่เป็นไนงะเราไม่รู้หมดเลยถามอะไรรู้หมดนะแล้วบอกไม่รู้เออาแล้วตอนนี้รู้อีกอย่างรู้แล้วเหรออา่ารู้แล้วนะแล้วก็ต้องให้รู้อย่างนั้นรู้ ร, รู้รู้ว่ากายเนี้ยทําอะไรอยู่แล้วก็กายเนี้ยที่ล้าคานที่ลึกเ ก, กินกว่านั้นก็คือกายเนี้ยกำลังคิดอะไรกำลังรู้อะไรมีอารมณ์อะไรมีความสบายไม่สบายฟ่องสายราสา ห, ห, หรือว่าเศร้าหมองหรือหงุดหงิดฟุง้งซ่านลําคาญใจหรือกำลังง่วงซึมให้มีรู้ตัวตลอดเวลานะ อย่างเงี้ยเน่ยเรียกว่ารู้อะไรล่ะเนี่ยเขาเรียกว่ารู้แต่รู้นั้นมันอยู่ตรงไหนมีใครตอบได้หลักแล้วมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่มันมันรู้ไอ้ร่างกายเนี่ยกาลังกำลังคิดอะไรมีอารมณ์อะไรมีอาการอย่างไงสบายไม่สบายมันรู้ตลอดมีผู้มารู้อยู่แต่ผู้ที่รู้นั่นเนี่ยเป็นใครอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ไม่รู้อยู่ที่ไหนใครก็ไม่ตอบไม่ได้แต่เขาชื่อว่าผู้รู้อยู่ตรงไหนก็ไม่มีใครตอบได้ผู้รู้นั้นเนี่ยคือมีสติสมัชัญญะประกอบกับภาตุรู้ แต่ไม่ต้องหาอะไรขอยมันรู้ไว้อย่างนั้นไงรู้ว่ากายนี้ยมันคิดอะไรมีอารมณ์อะไรแล้วก็มีปฏิกิริยาอย่างไงพฤติกรรมอย่างไงก็ให้รู้ไว้ตลอดเวลาให้รู้นะให้รู้ว่ากายนี้มันคิดอะไรนื้อะไรมีอารมณ์อะไรยังไงสบายไม่สบายก็แค่รู้สักแต่ว่ารู้รู้นั้นก็ไม่ใช่เหาเพราะรู้นั่นก็ยังเป็นสังขารอยู่รู้ก็ยังเป็นสังขารสิ่งที่ถูกรู้ก็เป็นสังขารเป็นสังขารที่ไม่เทียบหรวงปู่ทาว่า สังขารไม่เที่ยงหลีกเลี่ยงเซ่พน้นอนัตตาไม่ใช่ตนอยากกังวลว่าร่างกายผู้รู้สิ่งที่ถูกรู้และผู้รู้ล้วนเป็นสังขารด้วยกันทั้งสิ้นสิ่งที่ถูกรู้ร่างกายใจิตใจนี้เป็นสิ T, ่งที่ถูกรู้ก็เป็นสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหลีกเลี่ยงเซ่พ้นอนัตตาไม่ใช่ตนอยากังวลว่าร่างกายสังขารนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นเตียงแค่สังขารมารู้ไว้สังขารมารู้ร่างกายใจิตใจนี้เป็นสังขารที่ปรุงแต่งมารู้ไว้นะ เพราะว่าถ้าไม่ไม่สังขารปรุงแต่งรู้ไว้ก็ไม่รู้แล้วต้องสังขารปุงแต่งมารู้ร่างกาจิตใจนี้ไว้ฉะนั้นผู้ที่มารู้ร่างกาจิตใจนี้ทุกขณะจิตนั้นก็เป็นสังขารปุงแต่งให้มารู้ไว้เป็นสังขารเหมือนกันจนถึงถูกรู้ร่างกายจิตใจนี้ถึงเป็นิ่งถูกรู้ก็เป็นสังขารปุงแต่งผู้รู้ที่มารู้ร่างกาจิตใจนั้นสติสัมปชัญญะล้วนเป็นสังขารปรงแต่งทั้งหมดก็เป็นสังขารปุงแต่งทั้งหมดสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอิเบียงเซฟนอนตตาไม่ใช่ตน อยากังวลว่าร่างกายนี่หลวงปู่ทาจารุธมโมท่านได้สอนอยู่เป็นประจำก็รู้กันไว้แต่ยังมีชีวิตอยู่ก็รู้กันไว้อย่างนี้ให้รู้ว่าสังขารรู้สังขารทั้งสิ่งที่ถูกรู้ยึดไม่ได้ไม่ใช่เราตัวเราของเราผู้ที่รู้ก็ไม่ใช่เราตัวเราของเราก็แตกรู้เป็นธาตุรู้ที่มีสติสัมปชัญญะกำกับในการรู้อยู่ตลอดเวลาถ้าเมื่อายสติสัมปชัญญะที่มากํากับในการรู้นั้นไม่มีซะแล้วก็ไม่รู้เลยก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองกําลังรู้อะไรอยู่ ก็รู้อยู่อย่างนั้นรู้แล้วก็รู้สึกรู้ตัวตลอดเวลาว่าเนี่ยร่างกายจิตใจที่ถูกรู้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีอาการอย่างไรมีอารมณ์อย่างไรเป็นตัวนี้หมดเป็นสิ่งที่ถูกรู้หมดคือตัวนี้ตัวนี้คือเป็นโลกสิ่งใดที่ถูกรับรู้ได้สิ่งนั้นเรียกว่าโลกสิ่งใดไม่อาจถูกรู้ได้โดยอายตนะสิ่งนั้นเรียกว่าธรรมสิ่งใดที่ถูกรับรู้ได้ด้วยอายตนะทั้งหมดคือตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ทั้งหมดสิ่งนั้นเรียกว่าโลกสิ่งใดไม่อาจถูกรู้ได้ด้วยอายะตนะ ตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งนั้นเรียกว่าธรรมถ้ารู้โลกแล้วไม่ติดโลกก็ถึงทำไปอัตโนมัติทาไม่อาจสแสวงหาได้ไม่อาจค้นหาได้ไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีที่อยู่เพียงแค่รู้โลกแล้วไม่ติดโลกรู้สิ่งที่อายตนะรู้คือตารู้ทางตารู้ทางหูรู้ทางจมูกรู้ทางลิ้นรู้ทางกายรู้ทางใจแล้วสิ่งใดที่ถูกรู้สิ่งนั้นเป็นโลกรู้โลกไม่ติดโลก ก็เป็นธรรมรู้สักแต่ว่ารู้รู้โลกสักแต่ว่ารู้โลกก็รู้ไว้รู้อย่างนี้การที่จะไม่ติดโลกได้ก็ต้องรู้ว่าไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามผู้ที่กำลังเป็นอยู่เป็นโลกทั้งหมดไม่ใช่เป็นเราเป็นโลกเป็นโลกที่ต้องดับสลายไปกับโลกนี้ต้องเป็นความเน่าเปือ่อยผุพังมีความแก่ความเจ็บความตายสุดโศกเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปตลอดเวลา นี่นี่คือคําคําสอนสุดยอดแห่งคำสอนของพุทธศาสนาสัเปสังฆาราเิจา่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสเปสังฆาราทุกษาสังขารทั้งหลายเป็นทุกต้องมีความแก่มีความเจ็บมีความตายสเปสธรรมาอนัตตาทั้งหมดไม่อาจเข้าไปยึดบัานถือบ้านว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราหรือเราเป็นสิ่งเหล่านั้น ถ้าคทางใดเข้าไปยึดถือว่าเป็นเราหรือเรากําลังเป็นหรือสิ่งเหล่านั้นหรือผู้ที่กําลังเป็นนั้นเป็นเราเป็นตัวเรากําลังเป็นเป็นทุกทันทีพุทธพจน์อันนี้ที่ทําให้คนธรรมดาสําเร็จพระรหัสการทั้งหมดก็ได้พุทธพจน์อันนี้เองคืออนิจจ์ทุกขังอนัตตาเมื่อใดที่ไม่ไม่เห็นเป็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตาเข้าไปยึดถือว่าเราเป็นเราเป็นผู้เป็นเมื่อนั้นเป็นผู้ทุกทันที เราสามารถที่จะสังเกตหลักธรรมคาสอนนี้ได้โดยง่ายๆก็คือว่าถ้าเราเห็นคนอื่นกําลังทุกข์อยู่เราเห็นคนอื่นกําลังทุกข์อยู่คนที่อยู่ต่อหน้าเราเนี่ยนั่งนั่งปฏิบัติธรรมกันอยู่เนี่ยคนอื่นเนี่ยเขามีความทุกข์อยู่จะทุกข์ด้ไหมถ้าคนนั้นไม่เกี่ยวข้องกับเราเธอทุกข์ด้วยมไม่ทุกข์เลยถ้าเขาไม่เกี่ยวข้องกับเราเราไม่ทุกข์เลยยกเว้นว่าเราเข้าไปยึดถือว่าเขาเป็นของเราเป็นทุกทันทีเช่นลูกเรา สามีเราภรรยาเราพ่อแม่พี่น้องของเราถ้าเป็นของของเราก็เป็นทุกทันทีถ้าเป็นตัวเราก็เป็นทุกทันทีเนี่ยถ้ามีความรู้สึกว่าเป็นตัวเราเป็นก็เป็นทุกทันทีถ้ามีความรู้สึกว่าเป็นของของเราก็เป็นทุกทันทีพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอย่าเข้าไปยึดถือว่าเป็นของของเราหรือเป็นตัวเราที่กำลังเป็นนั้นผู้รู้ไม่มีแต่กายเป็นผู้เป็นอย่างเดียวเนี่ยทุกแน่นอนเพราะว่าเป็นเรากาลังเป็น เรากําลังเป็นเรากําลังเป็นเรากำลังเป็นรู่ดเรากำลังเป็นนี่เรากำลังมุดจิตเรากำลังไม่ได้อย่างใจเรากําลังมีอาการเรากำลังมีอารมณ์อย่างนี้เรียกว่าเราเป็นผู้เป็นเป็นทุกทันทีแต่ถ้ามารู้มาดูมาเห็นตัวนี้ที่กำลังมันเป็นมีอาการอยู่มันดูคนอื่นไปเรื่อยเจนที่สุดดูมันเหมือนดูคนอื่นจริงๆเพราะเรารู้อยู่เสมอว่าที่สุดดูมันดูมันแล้วมันก็ค่อยๆเสื่อมไปเสื่อมไปที่เสื่อมไปแล้วก็หมดลมหมดแรงไปหมดกําลังไปแล้วก็ดับสลายหายไปในที่สุดดูรู้เห็นมันแล้วด้วยใจที่รู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่ากก็็ดููร้เหนนั ไปจนกว่าจะตายจากการไประหว่างสิ่งที่ถูกดูรู้เห็นกับผู้ดูรู้เห็นก็ดับไปด้วยกันผู้ที่จะดูรู้เห็นอยู่ได้ต่อเมื่อมีร่างกายจิตใจนี้ให้ดูรู้เห็นอยู่ถ้าร่างกายจิตใจนี้แตกตับสลายไปหมดเสร็จแล้วผู้ที่ดูรู้เห็นนั้นก็ไม่สามารถที่จะอยู่ดูรู้เห็นได้ต้องไปก็ต้องดับสลายไปด้วยกันต่างคนตามไปแยกย้ายกันจากกันไปตามธาตุทายธาตมันผู้ที่ดูรู้เห็นก็เป็นธาตุธาตุหนึ่งไอ้ผู้ที่ถูกดูรู้เห็นก็เป็นธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟอากาศธาตุ วิญญาณธาตุที่เขาไปสวยอารมณ์ต่างๆผู้ที่มาดูรู้เห็นนั้นก็เป็นธาตุคือเป็นธาตรู้หรือวิญญาณธาตุแต่ผู้ที่มาดูรู้เห็นร่างกาย จ, จิตใจนี้ได้จะมีอยู่ได้ต่อเมื่อมีร่างกาย จ, จิตใจนี้ปรากฏให้เขาดูให้เขาดูรู้เห็นเมื่อร่างกาย จ, จิตใจนี้ไม่ปรากฏแตกดับสลายท้ง ห, หลายหมดสิน้นผู้ที่ดูรู้เห็นธาตรู้นั้นก็ดับสลายหายไปหมดสิ้นเหมือนกันก็กลับคืนสู่ธาตุไทยธาตุมันกลับคืนสู่ตามธรรมชาติดับสลายหายไป ทำมีความรู้สึกอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาในใจมามีผู้มาดูรู้เห็นล่างกาจิตใ จ, จนี้สับแต่ว่าธาตุดูธาตุหรือสังขารดูสังขารอยู่จนกว่าจะดูรู้เห็นการไม่ติดกันเมื่อไหร่ดูรู้เห็นการสิ่งที่ถูกดูรู้เห็ น, ก, น, poorly, ก, หนกับผู้ที่ดูรู้เห็นไม่ติดกันมาดูรู้เห็นอยู่โด ย, ยไม่ติดกันเมื่อไหร่ไม่ติดกันก็เป็นวิมุตต์โดยอตโนมัติดังนั้นการที่สัตว์มาดูรู้เห็นนี้ในขณะนี้เราก็เป็นเพียงแค่ฝึก ฝึกในการที่จะสังเกตดูรู้เห็นไปเรื่อยดูรู้เห็นร่างกายร่างกายนี้อีกกว่ากำลังคิดกำลังนึกกาลังตึกกําลังตองกําลังปมแต่งกาลังมีอารมณ์กาลังแสดงอาการอย่างนั้นปฏิกิริยาอย่างนั้นปฏิกิริยาอย่างนี้มีอาการอย่างนั้นมีอาการอย่างนี้แต่การดูรู้เห็นเนี่ยมันยังติดกันอยู่มันยังมันยังไม่มันยังไม่ขาดจากกันจริงๆจนกว่าจะค่อยๆขาดจากกันขาดจากกันขาดจากใจไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกันกับร่างกายนี้จิตจิตใจนี้ต่อไปได้แต่สับแต่ว่าดูสับตาบรู้เห็นร่างกายนี้ร่างกายจิตใจนี้อยู่ตลอดเวลา ไม่เข้าไปติดกันอีกต่อไปคือไม่เข้าไปมีเยื่อใยต่อกันเขาเรียกว่าเยื่อใยมันชัดมากเลยเพราะว่าท่านใช้ตัวอย่างว่ามันไอผู้ที่ดูรู้เห็นร่างกายจิตใจนี้นั่นน่ยมีเยื่อใยต่อร่างกายจิตใจนี้เหมือนใยใยกล้วยกับใยใยกล้วยที่ก็หักออกแล้วมีใยหรือว่าก้านบัวที่หักออกแล้วก็มีใยเขาจึงใช้คําว่าเยื่อใยผู้ที่ดูรู้เห็นร่างกายจิตใจนี้ที่มีใยต่อกันก็คือว่ายังติดกันอยู่ ยังมีความรู้สึกว่าติดกันคืออะไรติดว่าเป็นตัวเราเป็นของของเราเวลาเขาเป็นอะไรขึ้นมาก็มีเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นเราเป็นผู้เป็นอาการนั้นเราหงุดหงิดเราลาคางใจเราไม่ได้อย่างใจเราโมโหเรามีอารมณ์เรามีราคะเรามีโทสะเรามีโมหะเรามีความเบิกบานใจมีความป่องใสเราเบาเราว่างเพราะว่าเราเบาเรามีความรู้สึกว่าเป็นตัวเราเป็นแต่เราไม่อยู่กามรู้สึกว่าอันี้ก็เป็นข้าทาสหนึ่ง ที่กําลังเป็นอยู่หรือเป็นสังขารก้อนก้อนหนึ่งที่กาลังเป็นอยู่หรือเปรียบเหมือนคนอื่นที่เขากำลังเป็นอยู่เราก็ได้แต่ดูรู้เห็นเขาเฉยเฉยไม่เข้าไปยึดถือเขาว่าเรากําลังเป็นหรือผู้ที่เป็นนั้นเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราถ้าใจเนี่ยมันขาดออกจากกันแล้วก็ดูรู้เห็นอยู่เฉยๆสักแต่ว่ดูรู้อยู่เห็นอยู่เฉยๆมานั้นก็จะเป็นวิมุติเป็นพันิพภานโดยอัตโนมัติวิมุติและพันิพภานท่านจึงกล่าวว่าไม่ต้องหาไป ขอให้ทำเหตุอย่างเดียวคือดูรู้เห็นกันแล้วก็ไม่จนกระทั่งขาดออกจากกันได้แต่สัปตะวดูรู้เห็นกันไปจนถึงวันตายเมื่อถึงเวลาตายสิ่งที่ถูกดูรู้เห็นก็ดับลงผู้ที่ดูรู้เห็นเนี่ยก็ไม่มีสิ่งที่ดูรู้เห็นต่อไปก็ไม่อาจอยู่ได้ก็ดับสลายหายไปก็คื้นสู่ธาตุกายธาตุมันไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเพราะไม่ติดกันแล้วก็ไม่ไม่เกิดอีกถ้าติดกันก็ยังเกิดอีกเกิด อ, อีกก็คือการติดกันดูรู้เห็นแล้วก็ติดกันกับสิ่งที่ถูกดูรู้เห็นนี่เองก็คือผููู้้ที่มาดรเห็น ร่างกายจิตใจนี้ก็ยังเข้าไปยึดถือว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราหรือเราเป็นร่างกายจิตใจนี้เรากําลังเป็นอาการนี้เรากําลังมีอารมณ์นี้เรากำลังมีความว่างเรากําลังมีความบักสบายพอเบาสว่างก็เรากำลังสบายเรากำลังสว่างขนาดใดที่มันสิ้นการยึดถือมันรู้มันดูมันเห็นร่างกายจิตใจนี้สิ้นการยึดถือไม่ติดไม่ยึดถือต่อกันมันก็ขนาดนั้นอ่ะมันก็ขาดไปช่วงขณะแต่ขาดยังไม่ใช่จริงความจริงเนี มันหนาดใหญ่เหมือนกับหักก้านบัวแล้วเนี่ยมันอยากหักก้านบัวแล้วเนี่ยต้นปกติมันจะมีหลายใยแต่ใยมันคงขาดไปแล้วหลายเส้นมันคงจะมีติดครับอย่างสําคัญอาจจะเส้นหนึ่งมันจะกลับคืนได้การใช้มันขาดแล้วทุกเส้นแล้วไม่กลับคืนอีกเลยมันถ้าขาดขาดจากกันเหมือนหักก้านบัวแห้แงๆโปะแล้วไม่มีใยต่อกันอันนี้มันคงจะเหลือซับใยสองใย แล้วไอ้ใยส่วนใหญ่ก็คงจะขาดไปแล้วแต่มันยังคงจะติดมีายอยู่ว่าเนาะยายใสยันก็เลยผ่องใสยิ่งนักสว่างสวายยิ่งนักแต่ในความที่มันยังยึดถือว่าเราเป็นเราสว่างทําไมเราสว่างนักเราผ่องใสยิ่งนักเราเบิกบานยิ่งนักก็ไอ้ตัวในความรู้สึกว่ามันยังมีความรู้สึกว่าเราเป็นนี่นะมันยิ่งผ่องใสเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความรู้สึกว่าเราเป็นมันยิ่งสว่างเท่าไหร่ก็มีความรู้สึกว่าเราเป็นไอ้ตรงนี้อะไรงตรงนี้ที่มันยังหลงอยู่ มันก็เลยยังมีใยให้กลับคืนกลับมามาติดกันได้อีกแม้แม้แต่มันติดใยอยู่แล้วเนี่ยใยหนึ่งมันก็ยังให้กลับติดมาหลายใยได้อีกถ้ายังมีเชื้อยอยู่แม้แต่ไอหักการบวมแล้วมีมีใยใยอยู่ติดอยู่เส้นเดียวแต่แม้แต่ติดเส้นเดียวมันก็ยังมันก็ยังกลับคืนมาได้อีกกับคืนมาได้อีกหลายใยเพราะฉะนัา้นขาดเนี่ยไม่ต้องขาดหมดทุกใยคือไม่มีเยื่อใ ย, ย, ย, ยต่อกันคําว่าใยคือไม่มีเยื่อใ ย, ย, ยต่อร่างกายทิ่ใจนี้แล้วก็ ก็อยู่กันโดยมีความรู้สึกว่าอยู่เพื่อรอวันตายกันนั่นเองรอเพื่อมันแตกดับสลายไปแล้วไม่กลับมาลำบากอีกเหมือนหลวงปู่เทศท่านเขียนไว้ว่าเราอยู่มาจนอายุ9กสบสปีเราทุกข์มากเหลือเกินชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายสาหรับเราเราจะไม่กลับมาเกิดให้เป็นทุกข์อีกต่อไปคือมันมีความรู้สึกเลยว่าอยู่ไปเพื่อรอไอ้สังขารมันเมื่อไหร่ก็เมื่อ น, นั้นไม่มีความมีอยู่ไปไม่มีความรู้สึกว่า มันอยู <in> <hh? S 1> ่ไปเพื่อจะมาเกิดเป็นอะไรอีกไม่มีแล้วแต่ที่อยู่เนี่ยก็คือกิจที่ต้องทําำจบหมดแล้วคือมันไม่มีอะไรแล้วที่กลัาไปยึดถืออีกก็อยู่ไปเมื่อมายึดถือแล้วมันจะอยู่ทําไหนก็อยู่เกื้อกูลคนอื่นบ้างอะไรบ้างสอนคนอื่นบ้างอยู่เกื้อกูลไปแล้วที่สุดสังขารมันก็ตายแตกดับไปผมถามครูบาอาจารย์ท่านอย่างนี้มีแต่อยู่ไปก็เกื้อกูลคนที่เขามาไกลมาหาแค่นั้นเองสําหรับท่านไม่มีอะไรแล้วสําหรับท่านแต่ท่านก็ไม่ได้บอกตรงๆแต่ก็คุยกันก็รู้อยู่ว่ามันเป็นอย่างไง แต่ก็ในสําหรับท่านแล้วก็มีแต่เกลือกูลคนอื่นเท่านั้นอยู่ไปก็รอวันตายรอวันธาตุเนี่ยมันแตกออกไประหว่างสิ่งที่ถูกรู้แล้วพูดรู้ก็ดับไปความกันรอวันแตกดับสลายเพราะว่าเบื่อแล้วเบื่อสังขารนี้เกิดมาแล้วเป็นทุกหลายภบหลายชาติเบื่อสังขารนี้เต็มทีก็รู้รู้กันไปอยู่อย่างนี้ก็จนกว่าที่จะหมดหมดภาระต่อกันไปหมดภาระคือปล่อยแตกดับสลายไปถึงเวลาก็ดับสลายไปเองคืออยู่ไปจนกว่าจะหมดภาระเดียวกับหมดภาระที่จะแบสังขานี้ คือใจท่านไม่มีแบกแล้วแต่ยังมีสังขารยังมีอยู่ก็เหมือนกับว่าสังขาร น, นี้ยังทําให้เป็นทุกข์กายอยู่ยังมีความเจ็บปวดยังมีความไม่สบายไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวอยู่แต่ความไม่สบายใจของท่านไม่มีแล้วเพราะท่านหมดสิ้นแล้วทุกทางใจเหลือแต่เวทนาทางกายท่า น, นั้นเองนี่แลับท่านที่ไม่ยึดติดยึดถือแล้วท่านมีความสุขอย่างนี้เรียกว่ารางวัลที่ท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้ารอให้รางวัลอยู่ไม่ได้ว่างเว้นเลย แต่หาผู้ที่จะได้รับรางวาัลจากพุทธเจ้านั้นน้อยมากแทบจะไม่มีเลยน้อยเหลือเกินนั้นวิธีการปฏิบัติก็คือต้องฝึกอย่างนี้ถ้าสมมติว่าเราดูรู้เห็นร่างกายจิตใจนี้มีอาการอะไรอย่างนี้แล้วยังยังไม่ยั ง, ย, ง, ย, งยังไม่สามารถที่จะ จะสามารถที่สัตว์ประดูรู้เห็นได้แล้วก็พุทโธไว้บริกรรมไว้พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแล้วก็ดูรู้เห็นร่างกายจิตใจนี้ที่มีอาการต่างๆมีอารมณ์ต่างๆอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พุทโธไว้พุทโธพุทโธพุทโธเพื่อให้มันติดไปกับร่างกายจิตใจนี้ที่มีอาการต่างๆมีอารมณ์ต่างๆเราก็ดูรู้เห็นไปเรื่อยๆโดยอาศัยพุทโธพุทโธเป็นเป็นหลักเป็นหลักใจไว้ก่อนจนกระทั่งเราสามารถสัตว์ปรดูรู้เห็นอยู่ได้แล้วก็ทิ้งหลักใจไป แล้วก็จังแรกดูรู้เห็นก็อาศัยหลักใจไปก่อนคือพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุทโธเหมือนกับกลัวผีเราเข้าไปในที่มืดเรากลัวผีเรากลัวผีในกลัวผีเนี่ยถ้ากลัวผีมันก็ถ้าไม่มีอะไรเป็นหลักใจมันก็จิตใจมันก็แตกเตลดิดบางทีก็เป็นบ้าก็ได้เพราะว่ากลัวผีมาก ก็เข <Leben urs. S 1> ้าไปในที่มือกกลัวมากก็เราไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวแต่ไม่กลัวพุทโธเลยเลยพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพทธมันก็ความกลัวก็หายไปจนกระทั่งความกลัวนั้นในใจไม่มีก็วางพุทโธเขาก็วางเขาเองเพรว่าไม่กลัวผีกแล้วก็ไม่จำเป็นต้องท่องพุทโธอีกต่อไปก็เหมือนกันพอไม่ติดกับอารมณ์ใดๆแล้วไม่มีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้เป็นแล้วก็ไม่ต้องใช้ท่องพุทโธอีกต่อไปก็ได้จะดูรู้เห็นตามความเป็นจริงอยู่ที่เจอใจยอมรับตามความเป็นจริงจะแล้วหมดทุกอย่าง ขอยอมรับตามความจริงว่ามันเพียงแา่ธาตุขันที่อยู่วันรอแตกดับสลายเท่านั้นเองไม่กลับไปเกิอได้ไปตุ้มอีกอมันก็ใจยอมรับตามความเป็นจริงจนนี้แล้วมันก็ไม่ยึดถืออะไรก็รอวันเมื่อไหร่จะตาแตกหลับกันนั่นเอง